อันเชิญพระวจนะจากวธรรมลูกาบทที่19ข้อ28ถึง44ความว่าเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วพระองค์ทรงดำเนินนำหน้าเขาไปจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมู่บ้านเบ็ดฟายีและหมู่บ้านเบธานีบนภูเขาซึ่งเรียกว่ามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกราตัวหนึ่งพูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านแก้มันทาไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้สาวกที่รับใช้นั้นได้ไปพบ เหมือนที่พระองค์ตรัสแก่เขาแล้วเมื่อเขากำลังแก้ลูกลานั้นพวกเจ้าของกวถามเขาว่าท่านแก้ลูกลาทำไมฝ่ายเขาตอบว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลาและเชิญพระเยซูขึ้นทรงหลานั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปเขาทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตน ปูลงตามหนทางเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะากอกเทศแล้วเหล่าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเพราะบรรดามาหากิชซึ่งเขาได้เห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังว่าขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ จงมีสันติสุขในสวรรค์ลและพรสิริในที่สูงสุดฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนนั้นทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าจงห้ามเหล่าสาวกของท่านพระองค์ตรัสตอบเขว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศีลาทั้งหลายก็จะยังส่งเสียงร้องครั้นพระองค์เสด็จมาใกล้เห็นกรุงแล้ว ก็กันแสงสงสารกรุงนั้นว่าโออยากให้เจ้าคือเจ้าเองรู้ในกาลวันนี้ว่าสิ่งอะไรจะให้สัติสุแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นยังบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้าเมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน กับทั้งลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเขาจะไม่ปล่อยให้ศีลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้าขอพระเจ้าสมโภรพรอพวิธีงครบวข้อในคำเทศนาวันนี้คือแล้วแต่อารมณ์ ถ้าจะถามว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มามีองค์ประกอบในตัวมนุษย์นั้นก็สามารถจะบอกได้ว่ามีอยู่สามอย่างครับก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแต่จิตใจเนี่ยนะครับนักจิตวิทยาก็บอกว่าจิตใจนั้นประกอบไปด้วยความคิดและก็อารมณ์แล้วก็มีคนถามว่าอารมณ์กับความคิดนั้นใครมาก่อนกันหลายท่านก็นึกย้อนกลับไปตอนที่เรา ออกมาจากท้องของคุณแม่เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเกิดก่อนกันนะระหว่างความคิดกับอารมณ์ใครมาก่อนกันพูดไปพูดมานะครับก็เหมือนกับคําถามที่ว่าไก่กับไข่ไข่เกิดก่อนกันแท้จริงแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าได้สร้างให้มนุษย์นั้นเป็นองค์รวมก็คือสมบูรณ์แบบทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ ญ, ญาณ ไม่ว่าอะไรจะเกิดก่อนกันนะครับเราแน่ใจว่าสิ่งทั้งสองก็คืออารมณ์กับความคิดพระเจ้าได้โปรกแกรมไว้อยู่ในชีวิตของมนุษย์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เราจะตอบสนองต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อการทรงเรียกของพระองค์ต่อน้ำมันไทยต่อพระประสงค์ของพระองค์ในแต่ละวันของชีวิตของเรานะครับมักจะมีคนบอกว่าขึ้นกับอารมณ์ของเราหรือแล้วแต่อารมณ์ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนั้นหลายๆครั้งเราถูกบิลเรื่องอารมณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆในเชิงจิตวิทยาทั้งหลายแต่ในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าที่สำคัญที่สุดมีอยู่สองอย่างครับอย่างแรกก็คือพระชจะของพระเจ้าอย่างที่สองคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อ เราเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรมอย่าลืมทั้งสองสิ่งนี้ก็คือพระวจนะพระกัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในวันนี้เป็นวันปามซันเดย์ว่าอาทิตย์ทางตาลนคริสจักรเรียกว่าเป็นวันเฉลิมฉลองวันเฉลิมฉลองการที่ผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มนั้นรอคอยพระมาสีหาที่เสด็จมาในหลังบนหลังของลูกลาผู้คนในเยเรูซาเล็มนั้นรอคอยอย่างมีความคาดหวังและพวกเขาตื่นเต้นมาก นะเขารู้ว่าพระเยซูน่าจะเป็นคนที่จะมากอบกู้เป็นพระเมสสยา ข, ขี่ม้ากอบกู้เอกราชกลับคืนมาจากจากักรวรรดิโรมพวกเขาอดใจไม่ได้ที่จะยกให้พระเยซูเป็นจอมทัพปลดปล่อยปลดปล่อยเขาคาดหวังพระเยซูเป็นกษัตริย์เมื่อได้คาดหวังว่าพระเยซูจะทรงลาแต่พระเยซูกลับทรงลาแทนที่จะทรงม้าซึ่งหมายความว่าในการเสด็จมาของพระเยซูนั้น ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อจะเป็นเกาะจอมทัพกอบกู้เอกราชของคนยิวแต่มาเพื่อจะกอบกู้เอกราชอิสระให้กับจิตวิ ญ, ญญาณของมนุษย์ต่างหากพระเยซูมาเพื่อช่วยพวกเขาลรวมทั้งถึงพวกเราด้วยให้รอดจากความผิดความบาปจากบึงไฟในขณะที่ผู้นำศาสนาตั้งใจจะประหารชีวิตพระองค์พวกเขารอคอยจังหวะที่จะเล่นงานพระเยซูแต่ยังไม่มีโอกาสเหมาะ สัปดาห์ต่อไปนี้เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครับในวันจันทร์วันอังคารวันพุธจนกระ่งถึงวันศุกร์พระเยซูได้เข้ามาในพระวิหารในกรุงเยรูเซมทุกวันพี่น้องครับจากบทเรียนในพระชนะของพระเจ้าลูกาบทที่19บเก้ข้อยีสถึงสีเราพบว่าในการต้อนรับพระเยซูหรือที่เรียกว่ารับเสด็จพระเยซูที่จะมาเป็นจอมกษัตริย์นั้นเราใช้อารมณ์ของเราในการต้อนรับไม่ได้ หรือใช้คาว่าแล้วแต่อารมณ์มาต้อนรับไม่ได้แล้วแต่อารมณ์มาที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับพระเยซูไม่ได้แต่ในทางกลับกันเราเรียนรู้ถึงสี่ประการครับที่เราจะสามารถต้อนรับพระเยซูได้โ ด, โดยโดยอย่าแล้วแต่อารมณ์ประการแรกครับเราสามารถต้อนรับพระเยซูได้ด้วยการเชื่อฟังพี่น้องสังเกตดูนะครับ 1นึ่ที่พี่น้องจะเห็นอยู่นี้ไม่ค่อยได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าต้อนรับพระเยซูด้วยอารมณ์แต่เราต้อนรับพระเยซูด้วยการเชื่อฟังซึ่งปรากฏอยู่ใน28ถึงยข้อ35ของพระธรรมลูกาบทที่สินี้ประการที่สองครับเราจะต้องต้อนรับพระเยซูด้วยการถวายของขวัญข้อที่35ถึงข้อที่36และประการที่3เราต้อนรับพระเยซูด้วยการสรรเสริญด้วยคําสรรเสริญด้วยชีวิตแห่งการ สันเสริโมโมทนาพระคุณและประการที่สี่ก็คือเราต้อนรับพระเยซูด้วยความเชื่อพี่น้องเห็นไหมครับไม่มีจุดไหนเลยที่ต้อนรับพระเยซูด้วยอารมณ์าในเช้าวันนี้ผมจะเข้าสู่รายละเอียดครับว่าในการต้อนรับพระเยซูนั้นต้อนรับด้วยการเชื่อฟังทำอย่างไรบ้างครับมาอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับต้อนรับพระองค์ด้วยการเชื่อฟัง เราเห็นว่าขณะที่พระเยซูใช้เส้นทางเดินเข้าสู่เยรูซาเล็มพงเเด็จลงจากภูเขามาก อ, อกเทศต้องเดินผ่านนะครับเมืองดาวิดเมืองดาวิดนั้นท่านจะเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่ากรุงเยรูซาเล็มนะศูนย์กลางก็คือภูเขาโมริยาที่อยู่ตรงกลางนะครับอยู่บนเนินเขานะครับแล้วก็จะมีหุบเขานะครับ อยู่สองหุบเขานะก็คือเซนเทวาเล่และกับหุบเขาคิดโรนนะครับมาไปทางขวาเราก็จะเห็นภูเขามากาะกอกเทศพระเยซูเสด็จมาจากภูเขามากาะกอกเทศลงมาผ่านหุบเขาคิดโรนแล้วก็ขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับนี่คือเส้นทางของพระเยซูในการเดินนะครับ เมื่อพระเยะซูเสด็จเข้ากรุงเยรูเมจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ทางตะวันออกจะต้องผ่านเมืองของดาวิดที่เรียกว่า city of david นะครับเมืองของดาวิดเนี่ยอยู่บนหน้าผาครับดาวิดนั้นขณะที่สร้างกรุงเยรูเซมอยู่นั้นดาวิดเลือกสมรภูมิเพื่อที่จะให้ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะทำลายเมืองของเขาได้หรือที่มั่นของเขาได้ท่านก็เลือกเมืองดาวิด ตรงนั้นนะเป็นบริเวณหน้าผาการที่จะตีนะครับศัตรูจะ ต, ตีขึ้นไปมาหน้าผาเนี่ยตีได้ยากมากพระเยซูจะเสด็จนะครับจากจากภูเขามะก อ, อกเทศลงมาที่เมืองของดาวิดเพราะพระเยซูนั้นเป็นพงพันธุ์ของดาวิดก่อนหน้านั้ น, น, นพระองค์เสด็จผ่านเบธานีนะครับและต้องเข้ามาในภูเขามะก อ, อกเทศที่บนภูเขามะก อ, อกเทศที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่สําคัญมากเพราะว่า ในพักกมีเดิมเนี่ยมีคําพยากรณ์ถึงภูเขาเมกอกเทสครับในเสคริยาบทที่สิบี่ข้อที่สี่เสคริยาบทที่สิี่ข้อที่สี่บอกว่าพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขาเมกอกเทศซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มทางตะวันออกและภูเขาเมกอกเทศนั้นจะแยกเป็นสองส่วนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากขั้นอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งจึงถอยไปทางใต้นะครับ สิ่งจุดเน้นก็คือภูเขามะกอกเทเด่ยเป็นภูเขาที่พระเมสสิยาจะเสด็จผ่านครับนั่นหมายถึงว่าองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและพระเจ้าที่พันธสัญญาเดิมได้พยากรไว้ผู้นั้นที่เป็นผู้ที่พันธสัญญาเดิมได้พยากรณไว้จะเสด็จมาผ่านทางด้นนี้และในที่สุดนะครับพระมีบันทึกว่าพระเมสสิยาจะปรากฏตัวบนภูเขานี้เองและภูเขานี้นะครับ ผูกพันกับชีวิตของพระเยซูมากทีเดียวพระเยซูได้ใช้ภูเขานี้เป็นเป็นฐานที่มั่นในการเทศนาสั่งสอนจนกระทั่งเกิดคําเทศนาที่มีชื่อเสียงสูงที่สุดเลยครับ ก, ก็คือเป็นคําเทศนาบนภูเขามมกกอกเทศนี่เองและยิ่งไปกว่านั้นครับที่เชิงภูเขามมกอกเทศก็เป็นสถานที่ตั้งของสวนแห่งหนึ่งเรียกว่าสวนเกตเซมานี มากยิ่งไปกว่านั้นความสําคัญของภูเขามาก อ, อกเทศก็คือว่าเป็นภูเขาที่พระเยซูเป็นสถานที่ที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นภูเขามาก อ, อกเทศเป็นภูเขาที่พระเยซูผ่านเข้าผ่านออกนะครับตลอดเวลาเป็นภูเขาที่มีความสําคัญมากเป็นที่น่าสังเกตนะครับสาวกสองคนปรากฏอยู่ในข้อที่30มสเนี่ย ได้รับคำสั่งจากพระเยซูให้ไปที่บูบ้านแห่งหนึ่งและเมื่อเข้าไปพวกเขาจะพบกับลูกลาตัวหนึ่งซึ่งยังไม่มีใครขี่เลยพระเยซูบอกว่าให้เขาแก้สายผูกลานะครับแล้วก็พามันมามีใครถามก็บอกว่าองค์พระบป็นเจ้าต้องการมันและเมื่อสาวกสองคนนี้เชื่อฟังพระเยซูเขาก็กลายเป็นสาวกที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับพระเยซู ครับอย่างที่พระเยซูทรงเป็นเป็นนะครับบทเรียนที่เราอยู่ที่นี่ถ้าสาวกสองคนนี้ไม่ได้เชื่อฟังนะครับและใช้อารมณ์ของตัวเองคิดไปนู่นไปนี่รู้สึกอย่างนู่นอย่างนี้ในที่สุดแล้วตัดสินใจว่าฉันไม่ไปดีกว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้จักเจ้าของลาและเจ้าของลาเนี่ยจะเป็นจะรู้จักพระเยซูหรือเปล่า แต่เนื่องจากเขาเชื่อฟังพระเยซูสาวกสคนนี้ได้รับคำสั่งจากพระเยซูและเขาก็ได้พูดได้บอกกับเจ้าของลาตามที่พระเยซูได้บอกไว้ว่าองค์พระบุญเจ้าต้องการใช้มันเพียงแต่คำพูดคำนี้นะเจ้าของลาก็ได้ถวายลาให้พระเยซูเลยพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยหลายครั้งทีเดียวการเชื่อฟังของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราแล้วแต่อารมณ์ของเรา ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยครับเวลาที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราแต่ให้เราเชื่อฟังพระเจ้าด้วยจิตใจที่ยำเกรงพระองค์และรู้ว่าพระองค์เป็นใครทั้งนัพระเยซูเป็นใครสาวก ข, ของพระองค์ได้ได้ตอบสนองอย่างถูกต้องในครั้งนี้ในพระธรรมเซคคาริยานะครับเราจะพบว่าพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนนะครับแต่ก่อนจะไปถึงนั้นนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านพร้อมกันนะครับ ทิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอบุตรีแห่งเยรูเซมเอ๋ยจงโหอร้องเถิดดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาและทรงลูกลาพี่น้องครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์จะถามว่าทําไมต้องเชื่อพระเยซูด้วยพระองค์พูดอย่างนี้เดี๋ยวไปถึงเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะเขามีสิทธิ์ที่จะถามมีสิทธิ์ที่จะสงสัย มีสิทธิที่จะใช้อารมณ์ร้ายสิ่งหลายอย่างในการที่จะไม่เชื่อฟังแต่ในที่สุดนั้นความเชื่อฟังก็ทำให้เขามีส่วนที่สำคัญมากในการเสด็จมาเข้าสู่กรุงเยซมของพระเยซูอย่างผู้ที่มีชัยชนะหากเขานะครับอาศัยความรู้สึกของตัวเองเขาคงไม่ทำแน่แต่ถ้าเขาคิดถึงนะแต่ถ้าเขาคิดถึงอารมณ์ของเจ้าของนาเจ้าของลาเขาก็คงไม่กล้า เพียงครับการไปเอาลาครับในสมัยนั้นเนี่ยไปพูดกับเจ้าของลาเนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนักเทศจากต่างประเทศเขามีข้อความเขียนอย่างนี้นะครับว่าการไปเอาลาจากเจ้าของลาเนี่ยเหมือนกับการไปขอรถพ s c h e รถพ s c h e เพื่อจะให้สำเร็จตามคามยยกรพี่น้องนะลาเนี่ยมีค่ามากนะครับ เปรียบเทียบกับรถพอชเนี่นักเทศอธิบายว่าเปรียบเทียบกับรถพอชคุณไปขอยืมรถพอชเขาเนี่ยมีใครยอมให้คุณยืมไหมไมบ่บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการเพียงครับบางท่านอาจจะมีรถพอชอยู่ที่นี่นะครับมีวันหนึ่งเนี่ยนะครับทีมงานศิษย์พิบาลเนี่ยไปขอท่านบอกว่าอาจารย์ศึกษาเนี่ยอยากจะใช้รถพอชของท่านท่านจะให้หมั้ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถามว่าเขาเนี่ยนะครับต้อนรับพระเยซูด้วยของขวัญเจ้าของลาครับต้อนรับพระเยซูด้วยของขวัญ น, นะครับที่นี่นะครับมีของขวัญอยู่3อย่างที่ปรากฏในพระมีตอนนี้นะครับของขวัญอย่างแรกคือลูกลาครับซึ่งมีความหมายมากกับเจ้าของลาแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับพี่น้องถ้าเราดูในพระมัทธิวกับลู ก, กาเนี่ยเราเห็นว่าลาเนี่ยไม่ได้มาตัวเดียวพระเยซูเนี่ย ขี่หรือทรงลานะครับที่ตัวลูกลาครับแต่ใ น, นพระคพมี์มัทธิวเนี่ยนะครับได้บอกให้เราชัดเจนว่ามีแม่ลาอยู่ด้วยนะครับบางคนอ่านพระคัมภีร์ไม่ละเอียดเนี่ยก็สงสัยว่าตกลงปเปเยซูนั่งบนแม่ลาหรือลูกลากันแน่มีลาขี่ตัวกันแน่นะครับมีลาทั้งหมดสองตัวนะครับปรเปเยซูให้เอาลาทั้งสองตัวมาเพื่อที่ให้ลูกลานั้นตกใจเจ้าของลานั้นได้ถวายลาให้เป็นของขวัญครับ นั่นหมายความว่าเขาต้องยอมตัดทรัพสมบัติส่วนหนึ่งของเขาออกไปเพื่อที่จะให้พระเยซูเป็นการต้อนรับการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของเจ้าของลาในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องยอมนะครับยอมยอมเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับนะครับถวายกับพระเยซูยอมบางครั้งเพิ่มคอสทางธุรกิจของเรา เพื่อที่จะทํำในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อฟังพระองค์อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในกฎเกณฑ์กฎบัญญัติของพระเจ้าเจ้าของลายอมตัดทรัพย์ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสมบัตินะครับ ท, ท, ที่ล้าค่าออกไปเมื่อเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครสาวกของพระองค์บอกว่าองค์พระเป็นเจ้าต้องการใช้มันเขาคงจะถามอะไรมากกว่านี้หรือเขาอาจจะรู้จักพระเยซูมาก่อนแต่การที่เขาจะยอมสละลาโดยนี้พี่น้องสังเกตดูและคิดดูนะครับ ถ้าทำตามอารมณ์เนี่ยถ้าเขาไม่อยากให้เนี่ยทำไมพระเยซูต้องมาขอฉันด้วยทำไมไม่ไปขอคนนู้นไม่แบบขอคนนี้นะพระเยซูทำไมไม่ทำอย่างอื่นละ่ะเดินเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้หรือทำไมไม่ไปหามา้าถ้าแล้วแต่อารมณ์พี่น้องคิดว่าเจ้าของลาจะถวายลาไหมครับคงไม่ใช่แต่ที่นี่เขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครเขาจึงถวายลา ด้วยความเชื่อของเจ้าของลาทำให้เขาพร้อมที่จะถวายลาเป็นของขวัญในการเดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มเราคิดถึงกษัตริย์โซโลมอนนะครับในพงศษัตร์หนึ่งพงศษัตร์บทที่หนึ่งข้อส8 3 9ดที่นี่บอกว่าสาโดกปุโรหิตนาธานผู้โิชนะและเบเดยาบุตร เ, เยโฮยาดาคนเคเรทีเปเลกจัดให้โซโลมอนประทับบน ล, ลอ่อเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มครับนะแล้วก็ เติมโซโลมอนให้เป็นกษัตริย์ภาพนี้จะเป็นภาพที่สอดคล้องกันเปรียบเทียบกันได้ในพระธรรมหนึ่งองค์กษัตริย์เราคิดถึงโซโลมอนนั่งรอพระเยซูก็ทรงลาประทับอยู่บนลังลานะครับนี่คือของขวัญชิ้นแรกที่ที่เจ้าของลานั้นยอมถวายให้กับพระเยซูถามว่าเรายอมถวายอะไรให้กับพระเยซูในการต้อนรับรองบ้างของขวัญชิ้นที่สองครับ เราจะเห็นว่าประชาชนนั้นและสาวกก็เอาเสื้อผ้าของตนนะครับปูสาวกเอาเสื้อผ้าตนปูป็นหลังลาให้พระ อ, องค์ประทับหลังลาและประชาชนก็เอาเสื้อผ้าของตัวเองปูตามทางตามถนนให้พระเยซูเดินผ่านให้ใ ห, ให้ให้ลานั้ยเดินผ่านพี่น้องครับเสื้อผ้าของคนสองกลุ่มนี้เป็นของขวัญ นะครับเป็นของขวัญชิ้นที่สองที่จะต้อนรับกษัตริย์ผู้เสด็จมานะครับเข้าสู่กรุงเยารมันอย่างสง่าผ่าเผยพี่น้องลองคิดถึงอารมณ์ของผู้คนที่ได้ถวายของขวัญลองคิดถึงอารมณ์ของลูกลาที่จะต้องเดินผ่านนะครับลูกลาตัวเนี้นะครับจะอยู่ในชนบทไกลออกไปสักนิดหนึ่งเขาคงไม่เคยเจอม็อบแบบนี้นะฮะทุกคนก็จะโหยร้องนะฮะ แล้วพี่น้องคิดว่าลูกลาตัวเนี้ยจะ ก, กล้าเดินไปบนผ้าที่ปูไหมเสื้อผ้าที่ปูไหมเขาจะมีความรู้สึกยังไงภายใต้เสียงโห่ร้องและเสื้อผ้าที่รองรับมันอยู่ซึ่งมันไม่เคยชินไม่เคยเดินมาก่อนแต่มันไม่กลับมันกลับไม่ตกใจใช่ไหมครับถ้ามันตกใจมันก็คงจะสะบัดพระเยซูตกจากหลังมันเป็นแน่จากตรง น, นี้เองครับมีเรื่องของเ ด, เด็กเล่ากันอย่างนี้ครับว่า คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่าเรื่องพระเยซูเ็จเข้ากรุงเยอเซมนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ถามเด็กคนนั้นบอกว่าทําไมลูกลาแสนเชื่องตัวนี้นะครับถึงยอมที่จะเดินแล้วไม่สะบัดท่านทราบไหมครับว่าเด็กผู้หญิงหปีห้าขวบนะครับตอบนี้ครับหนูรู้ค่ะเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างลาค่ะคำตอบสั้นๆแบบนี้น่ารักมากเลยนะครับเพราะพระเยซูเนี่ยสร้างลาพระองค์ก็สามารถบังคับลา ไม่ให้มันพยศได้ไม่ให้มันตื่นเต้นได้เนี่ยครับคือสิ่งที่ตอบคำถามของพวกเราว่าพระเจ้าพระเยซูนั่นเป็นพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นในการต้อนรับพระเยซูนะครับเราต้อนรับกษัตริย์เราต้อนรับพระผู้สร้างเราต้อนรับพระผู้ช่วยรอดสาวกก็ไม่รู้สึกว่าเสื้อผ้าของตัวเองนั้นมันจะต้องเปื้อน คนประชาชนก็ไม่รู้สึกว่าพอลามันเหยียบไปแล้วเนี่ยมันจะขาดหรือเปล่ามันจะมันจะแหว่งหรือเปล่ามันจะฉีกหรือเปล่าเขาไม่เสียดายของขวัญที่ให้กับองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วถวายไปแล้วไม่เอาคืนไม่เสียดายของขวัญอย่างที่สมครับก็คือใบาปาล์มต้นปาล์มนะครับใบาปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องถวายเกียรติใบาปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความชื่นชมินดีที่ คนที่เราจะต้อนรับนั้นเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหมือนกับแม่ทัพที่ออกไปรบครับกษัตริย์ส่งแม่ทัพออกไปรบแล้วแม่ทัพนั้นนําชัยชนะกลับมาผู้คนที่อยู่ในเมืองก็จะโบกใบตานต้อนรับใบตานเป็นต้นไม้แห่งความชื่นชมยินดีและความร่มรื่นเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ในทะเลทรายครับและโอเอซิสทุกโอเอซิสเนี่ยจะพบใบปาล์มนะครับต้นปาล์มในทุกๆแห่ง ต้นปาล์มนั้นเปรียบเสมือนกับสัญญาณชีพที่บอกว่าตรงนี้มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิตเป็นโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายพระเยซูทรงเป็นกรรษัตริย์ได้รับการเจิมนะครับเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างมีชัยชนะและมีอำนาจพปรงไม่ได้มีอำนาจเหนือโรม พระองค์ไม่ได้มีอำนาจในโลกนี้แต่พระองค์มีอำนาจเหนือความตายและทรงประทานชีวิตนิจฉัยให้กับบรรดาผู้ที่เดินหลงทางในทะเลทรายได้นั่นคือโอเอซิสกลางทะเลทรายนั่นเองพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตเพื่อ ค, ครับเมื่อเราพิจารณาของขวัญทั้งสาอย่างนี้เพียงจําได้ไหมครับของขวัญอย่างแรกคือลาของขวัญอย่างที่สองคือเสื้อผ้าของขวัญอย่างที่สามคือใบาปาล์มถ้า เ, าเปรียบเทียบความหมายทั้งสอย่างนี้นี่คือของขวัญที่พระเยซูรับ จากผู้คนของพระองค์เราจำของขวัญสามอย่างแรกได้ไหมครับที่พระเยซูรับตอนที่พระเยซูบังเกิดในโลกนี้ก็คือทองคํากํยานและมดยออเราอาจจะเปรียบเทียบได้นะครับว่าทองคํานั้นเหมือนกับลาครับเพราะว่าอะไรครับก็คือยกย่องความเป็นกษตร พระเยซูทรงเป็นมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ทรงลานะครับมดยอปนะครับมดยอบใช้เปรียบเหมือนกับเป็นเสื้อผ้ามดยอบนั้นมีไว้สําหรับการที่จะเครือบตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเครื่องหอมเนี่ยในการที่จะทําศพพระเยซูมัดย่อปนั้นเ ป, นเาาเปรียบสเสมือนกับเป็นเสื้อผ้าครับเพราะว่ามดยอบนั้นกําลัง บอกเราว่าพระเยซูต้องตายเสื้อผ้านี้เป็นการปูลงไปนะครับเพื่อที่จะบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะอะไรครับเพราะว่าพระผู้ช่วยรอดที่เสด็จมาบนหลังลานั้นพระองค์ไม่เป็นเพียงแต่พระผู้ช่วยรอดโป้งยังเป็นกษัตริย์ สองสถานภาพนั่นเองทําให้เราหลายเวลาต้อนรับพระเยซูเราจะนําคนรับเชื่อเราต้องบอกว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือเป็นกษัตริย์หมายความว่าจะต้องตายครับเป็นจะต้องตายเพื่อที่พระองค์จะสามารถเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้เพราะฉะนั้นการต้อนรับพระเยซูด้วยการวางเชื่อผ้านี่เองทําให้พระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มทําให้แผนการของพระเยซูสําเร็จ นี่นะครับการถวายเสื้อผ้านี้เป็นการยอมรับนะครับเป็นการยอมรับว่าพระเยซูนั้นจะต้องสิ้นพระชนนประการที่สครับของขวัญอย่างที่สมคือใบปาล์มใบปาล์มนั้นมีไว้สําหรับโบกเพื่อที่จะบอกว่าชัยชนะคนคนนี้มีชัยชนะมีความชื่นชมดีเหมือนกับกํายานครับกำยานกํายานนั่นก็คือเป็นของที่ใช้ในพระวิหารเขาต้องจุดเพื่อเพื่อถวายบูชา นะครับเป็นเครื่องให้พระเจ้าโปรดปรานไปปามนั้นคือการยกย่องสรรเสริญพระเจ้ากัมยานก็คือการสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นของขวัญทั้งสาอย่างเนี้ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกันผมอยากจะสรุปนะครับว่าเราจะต้องต้อนรับพระเยซูด้วยของขวัญหรือการถวายแนะบบนั่นคือการเสียสละลานั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละเสื้อผ้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและ และการถวายเกียรติยกย่องพระเยซูเป็นกษัตริย์กิ่งปาล์มนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของความชื่นชมยินดีในชัยชนะเพราะฉะนั้นนี่ทั้งสมอย่างเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะต้อนรับพระเยซูอันที่สครับต้อนรับพระองค์ด้วยการโห่ร้องสรรเสริญคําว่าโหชนานั้นมีความหมายแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือทรงพระเจริญ แต่ความหมายเดิมนะครับความหมายเต็มๆก็คือว่าขอพระเจ้าผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอจงทรงพระเจริญนี่คือการต้อนรับกษัตริย์ต้อนรับเจ้านายต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ด้วยเหตุนี้เองทําให้เราทั้งหลายรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโฆษณายังมีอีกความหมายหนึ่งครับก็คือคําว่าช่วยพวกเราด้วยเถิด save us now นะครับความหมายของโฆษนานะครับมีอยู่3าความหมายก็คือขอจงทรงพระเจริญ ขอทรงช่วยเดี๋ยวนี้เถิดขอให้ผู้ที่มาในนามขององค์พระบุญเจ้าจงทรงพระเจริญพี่น้องครับแม้ว่าความเข้าใจของเขาเนี่ยนะฮะผิดไปเขาคึกว่าพระเยซูจะเป็นจอมทัพมากอบกู้เอกราชเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะเป็นกองทัพกอบกู้อิสรภาพฝ่ายจิตวิญญาณแต่สิ่งที่เขาทำนะครับพี่น้องพระเยซูไม่ได้ห้ามเขาแม้ว่าเขาจะเข้าใจผิด สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งแต่หน้าเสียดายครับประชาชนกลุ่มนี้อีกไม่กี่วันอีกประมาณสี่ห้าวันประชาชนกลุ่มเดียวกันนี่นะครับร้องว่าอะไรครับร้องด้วยความเครียดแค้นว่าตรึงเขาเสียที่กังเขนตรึงเขาเสียที่กังเขนกลุ่มเดียวกันนี่นะครับพี่น้องคิดว่าอันนี้อารมณ์ไหมครับอารมณ์ไหมครับอารมณ์ล้วนๆความเข้าใจผิดนะครับ ความคิดที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนได้เสมอเราเรียนรู้จากตรงนี้ว่าเราจะรักพระเจ้าด้วยอารมณ์ไม่ได้อย่างเดียวเราต้องรักพระเจ้าด้วยความคิดความจริงนะครับเราจะตอบสนองพระเจ้าด้วยอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องตอบสนองด้วยความจริงเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยความคิดความจริงเพราะฉะนั้น อย่าแล้วแต่อารมณ์ครับพี่น้องในข้อสาบนะครับบอกว่าความสุขเป็นของพระองค์ผู้เสด็จมาในพระ น, นามขององค์มระเจ้าสันติสุขในสวรรค์และพระสิริจงมีแต่องค์ผู้สูงสุดนี่มาจากพระธรรมสุดติบทที่1 1ึ่ครับว่าโฮชนามีความหมายว่าขอช่วยเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะนะครับอยากจะเป็นคําอธิษฐานของพวกเราในวันนี้นะครับว่าโฮชนาเซฟอัสช่วยเรานะครับหลายหลายคนบอกว่าเราได้รับความรอดแล้วทําไมจะต้องร้องโฮชนาอีกเล่า ผมี่ยว ก, กับพี่น้องครับว่าเราต้องร้องโหสนาทุกวันครับเพราะว่าเราต้องร้องขอความช่วยเหลือจากองค์พระเจ้าในการที่เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์แบบที่พระองค์อยากจะให้มีครับอยู่ในหน้าม้าไทยของพระองค์เนี่ยเราจะต้องอธิษฐานเราต้องร้องโหสนา ท, นทุกวันทุกวันทุกวันในชีวิตของเราแต่สิ่งน่าเสียดายเสียใจครับพวกฟาริสีไม่พอใจอารมณ์ของพวกฟาริสีนั่นเกิดจากความอิจฉา เกิดจาความน่าซื่อใจคดจะเกิดจากการที่แปลความหมายพระคัมภีร์นะครับแปลความหมายสิ่งที่เปเยซูตรัสสอนเนี่ยไปตามอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของตัวเองพวกสาวกนะครับก็ได้รับคําประสานหรือการประสานจากฟอริสีบอกว่าบอกให้คนเหล่านี้นิ่งเงียบได้ไหมพระเยซูทราบครับเปเยซูก็บอกว่าแม้ว่าคนเหล่านี้จะนิ่งเงียบก้อนหินยังจะร้องได้พี่น้องครับแปลว่าอะไรครับ แปลว่าพระเยซูทรงยินดีที่ประชาชนของพระองค์จะได้ต้อนรับพระองค์ได้สรรเสริญพระองค์เป็นวาระและเป็นเวลาที่ถวายเกียรดตดิพระเจ้าอยู่แล้วห้ามไม่ได้แม้ว่าเขาจะเข้าใจผิดก็ตามนะครับแต่เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นวยความตายเหตุการณ์กับตาลปัดพี่น้องครับในสัปดาห์นี้นะครับวันนีพ้พวกเขาเนี่ยร้องว่าโศนาอีกสี่ห้าวันพวกเขาร้องว่าตึงกังเขน แต่ผ่านไปอีกสี่สิบกว่าวันขณะที่เปโตกกาลังเทศนาเรื่ององค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นขึ้นมาจากความตายบากว่าคนกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับกลับใจเสียใหม่รวมทั้งคนยิวที่มาเฉลิมฉลองเทศกาลนะครับเพนเทคสเตพวกเขาก็กลับใจเสียใหม่ได้รับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับการต้อนรับพระองค์ในรูปแบบนี้ครับจะต้องต้อนรับพระองค์ด้วยท่าทีแห่งการ รับใจเราต้อนรับพระองค์อย่างสมพระเกียรติหรือเปล่าชีวิตของเราได้ต้อนรับผู้ที่มาในนามขององค์พระผู้เนเจ้านั้นนะที่ด้วยทรงถ่อมพระทัยและทรงลูกลาด้วยจิตใจแห่งการเสียสละเราต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมดีและการสรรเสริญหรือเปล่าการที่เราจะยกย่องสรรเสริญใครนะครับคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สมควรและเราจะต้องถ่อมใจลง บางคนจะมาโบสนะครับทำไมวันนี้ไม่มาโบสวันนี้ไม่มีอารมณ์บางคนขึ้นกับอารมณ์ในการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าบางคนขึ้นอยู่กับอารมณ์ในการที่จะสั่เสินพระเจ้าถ้าพระเจ้าช่วยเขาให้พ้นเหตุการ์เขาก็จะสัรเสรินพระเจ้าเป็นการตอบแทนเขาก็จะมาโบสเมื่อเช้านี้ผมได้ถาม พี่ดองในชั้นเรียนนบีว่าปกติแล้วเราใช้พระเจ้ามากกว่าหรือพระเจ้าใช้เรามากกว่ากันครับปกติแล้วเราใช้พระเจ้ามากกว่าหรือพระเจ้าใช้เรามากกว่ากันทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวกันหมดครับเราใช้พระเจ้ามากกว่าถ้าพระเจ้าถูกเราใช้มากพระเจ้าทําตามที่เราต้องการเราก็มีอารมณ์ในการที่จะมาบสถ์เราก็มีอารมณ์ในการที่จะรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าเกิดพระเจ้าไม่ได้ตอบ ตามคําขอของเราเนี่ยพระเจ้าตอบกลับตามความปรารถนาดีที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกต้องที่สุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดอาจจะไม่พอใจเราเราก็ยังต้องมาโบสถ์เราก็ยังต้องรักพระองค์เราก็จะต้องไม่ทิ้งพระองค์พี่น้องครับหลายเลยครั้งทีเดียวนะครับอารมณ์เนี่ยเป็นศัตรูครับเป็นอุปสรรคในการเข้าฟัาพระเจ้าประการสุดท้ายครับต้อนรับพระองค์ด้วยความเชื่อความศรัทธา พระเยซูต้องการความเชื่อความศรัทธาเป็นตัวชี้นําสู่การสรรเสริญพระเจ้าที่แท้จริงในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิครับแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเรามาดูอารมณ์ของสาวกนะครับแท้จริงแล้วพวกสาวกเนี่ยพระพรีบอกว่าเขามีความชื่นชมดีมากเขาปูเขาปูเปสื้อผ้าบนหลังลา และทุกคนก็เห็นมหากริฐบรรดามหากริฐที่พระเยซูทรงกระทำสาวกของพระองค์เรียนรู้ว่าพระเยซูต้องยิ่งใหญ่แน่นอนก่อนหน้านั้นนะครับมีพี่น้องสองคนคือยอนกับยากรบมานะครับและให้คุณแม่มาบอกกับพระเยซูว่าเวลาที่พระเยซูครองราชนะขอยนั่งอยู่ทางซ้ายคนหนึ่งทางขวาคนมองข้ามเปโตรไปซะพี่น้องครับตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าสาวกของพระเยซูเนี่ยมีอารมณ์ผิดหวังมากเลยเมื่อพระเยซูถูกจับ แต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยครับมีความชื่นชมยินดีมากเลยแต่ไม่กี่วันพระเยซูถูกจับพวกเขาผิดหวังมากทําให้เขาหลายหลยคนนะครับไม่ได้เห็นพระเยซูถูกตรึงด้วยสายตาของเขาเองเพราะเขาหนีไปหมดมีแต่ยอนคนเดียวครับที่ยืนอยู่บนอยู่บนภูเขาโกลาโกธาเลยใต้ไม้กังเขนนี่มียอนอยู่คนเดียวที่เห็นพระเยซูสิ้นพระชนด้วยตาน่าเสียดายนะครับ ในชีวิตของเราเนี่ยมีบางคนที่หนีไปออกห่างจากพระเจ้าแต่มีบางคนก็เป็นยอ น, นเข้าใกล้พระองค์อย่างแท้จริงเป็นที่น่าเสียดายมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาใช้อารมณ์ผิดหวังผิดหวังพระเยซูนั้นเขาผิดหวังแล้วเขาก็เลยทิ้งพระเยซูหนีไปความเชื่อของบรรดาสาวกอยู่กับพระเยซูมาสามปีครับก็ไม่อาจไปถึงจุดที่ยอมรับพระเยซูต้อง ถูกเตืบนแมงเคียนปเปโตรพู้อยู่หลายครั้งเลยนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพระเยซูจอดกับปเปโตร ว, ว่าไอซาตาจงไปให้พน้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าบางครั้งทีเดียวเนี่ยมารซาตาเนี่ยมันสามารถขโมยความเชื่อของเราไปได้มันทําให้เราเชื่อน้อยลงได้เพราะฉะนั้นมันทําให้สาวกมืดบอดได้และเอาแต่อารมณ์โดยปราศจากความเข้าใจที่แท้จริง จากตรงนี้นี่เองทำให้เรารู้ว่าบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นความจริงเพราะอารมณ์บางอย่างบดบังไว้ด้วยเห็นนี้เองนะครับพระเยซูกันแสงในช่วงหลังของพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับได้บอกว่าพระเยซูทรงกันแสงถามว่าทำไมพระเยซูต้องกันแสงด้วยพระเยซูเห็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของจิตวิญ ญ, ญาณของประชาชนครับบางคนบอกว่าพระเยซูร้องไห้เพราะว่าบ้านเมืองสวยงามจะต้องถูกทาลายลง หรือว่าพระวิหารที่สวยงามที่มีสง่าราศีอีกไม่กี่สิปีประมาณ30กว่าปีจะต้องถูกทําลายลงในขอศอทเจบแท้จริงแล้วพระเยซูกันแสงนะครับเพราะเหตุที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณของคนเรานั้นเนี่ยจะไปถึงความพินาศพระมปีบอกชัดเจนครับพระเยซูเสด็จมายัางบ้านเมืองของพระองค์แต่ประชาชนประชากรของพระองค์หาได้ต้อนรับพระองค์ไม่นี่เป็นสาเหตุที่พระเยซูกันแสงพี่น้องครับ และไม่ต่พระเยซูกันแสงเพราะว่าในคอส70กรุงเยอเซมจะถูกทำลายแต่หลังจากนั้นเนี่ยกา ร, ก ร, ก, รกระจายของของชาวยิวเนี่ยครับเขาเนี่ยไม่ได้ต้อนรับพระเยซูและปฏิเสธพระเยซูในประวัติศาสตร์นะครับ t y หรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเลยอีก 2,000 กว่าปีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงกันแสงครับ ในชีวิตของพระเยซูเราพบว่าพระเยซูทรงกันแสงอย่างน้อยสามครั้งด้วยกันครั้งแรกครับในพระธรรมยอห์นบทที่11บ็ดข้อสาหพระเยซูทรงกันแสงเพราะเหตุความตายของลาสัสพระเยซูมีความผูกพันกับครอบครัวนี้มากมาธามารีและก็ลาสัสเมื่อลาสัสเสียชีวิตพระเยซูทรงกันแสงถามว่าพระเยซูทรงกันแสงทุกครั้งที่มีคนตายหรือเปล่าในพระธรรมสะดุดีนะครับได้บอกว่าความตายของธรรมมิ ก, กชน สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าความตายของคนคนหนึ่งสามารถที่จะทําให้พระเยซูกันแสงได้ความรักที่พระเยซูผูกพันกับราสรัสกับความรักที่พระเยซูผูกพันกับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับท่านว่าเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะความรักของพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรจะสามารถวัดได้ เพราะฉะนั้นการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ไม่เพียงแค่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อลาซาลัสและพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นความห่วงใยของพระเยซูที่มีต่อเรานั้นเวลาที่ลูกของพระองค์ทำผิดผมเชื่อว่าพระองค์ก็ผิดหวังเวลาที่เราทั้งหลายทําบาป พ, พระเยซูเสียพระทัยในขณะที่การจากไปนะครับของความตายก็คือลาซาลัสเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดจากความบาปของอาดัมพวกเรามีวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปตายไป ความตายของมนุษย์ทุกคนสำคัญในสายพระเนตรของพระเยซูพระเยซูทรงกันแสงครั้งที่สองก็ครั้งนี้แหละครับลูกาบุที่19ก็าข้อพระเยซูมาเห็นกรุงเยรูซาเลม็มนะครับพระเยซูก็ทรงกันแสงและครั้งสุดท้ายครับที่สวนเกตเซมานีปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูที่5้ข้อ7็ผู้เขียนฮีบรูอธิบายอย่างนี้ครับว่าพระเยซูได้ทรงร้องด้วยร้องอธิษฐาน ทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนศไหลน้าตาไหลครับวิงวอนถามว่าวิงวอนเพื่ออะไรครับวิงวอนเพราะเนื่องจากว่าพระองค์กำลังจะเข้าสู่การทุกทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อพวกเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับพระเยซูได้หยิบยื่นความรอดให้กับเราให้กับพวกคนในสมัยนั้นแต่พวกเขาปฏิเสธเรารับ เมื่อเรารับนั้นพระคุณนั้นแห่งการสิ้นประชนกันช่วยรอดก็ไหลมาถึงชีวิตของเราและพงพันลูกหลานของเราพวกเขานั้นไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับพระเยซูปฏิเสธพระเยซูก็กลับจับพระเยซูไปตึงไว้ไม้เข็นนะครับแต่พวกเขาหารู้ไหมว่าพระเยซูร้องไห้เพื่อเขาข 170, สเจดิกษัตริย์ไททัสแห่งโรมนำกองทัพมาปิดล้อมกรุงเยซเมและล้อมไว้จนถึงนานถึงหนึ่งยสี่บสามวันครับ เพื่อไม่ให้คนหลบหนีหลังจากที่ตีนะครับเข้าเข้าในผ่านกำแพงเมืองได้ผู้ใหญ่นะครับไม่นับเด็กนะครับผู้ใหญ่กว่าหกแส0คนที่อยู่ในกรุงเรียถูกฆ่าตายพระวิหารถูกทำลายและถูกเผาเอาลอกเอาทองนะครับที่หุ้มเสาของพระวิหารนี่ออกไปเอาทองที่อยู่ในพระวิหารซึ่งเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่ในการทำถวายบูชาออกไปหมด พระธรรมเอสเสเคบทที่าาข้อ11บอนะครับบอกว่าจงกล่าวตอบเขาว่าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตยอยู่แน่ชันใดเราไม่พอใจในความตายของคนอธรรมแต่พอใจในการที่คนธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิตจุจงหันกลับจงหันกลับจากทางชั่วของเจ้าโอ้พงพันอิสเรเอยยอมตายทำไม นี่คือความเสียดายเสียใจความเศร้าพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าพระองค์ถามว่าพงพันธุ์อิสราเอลเจ้ายอมตายทําไมการตายของเจ้าเนี่ยเสียของไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ้าควรจะกลับใจใหม่สิเจ้าควรจะหันจากทางเดิมๆของเจ้าเข้าสู่ทางของเราสิพระองค์ไม่พอใจในความตายของคนอธรรมนะครับเพราะพระองค์ไม่ได้ตามอารมณ์ แต่เราเนี่ยพอเห็นค น, นธรรมเนี่ยนะครับจเจริญรุ่งเรืองเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่อยูุติธรรมนะเราอยากจะให้ค น, นธรรมเนี่ยคนที่ชั่วร้ายคนที่โกงกินบ้านเมืองคนหนึ่ง น, นะครับอยากจะให้มันไปเสียแต่พระเจ้าไม่ได้พอใจครับเพราะพระองค์ไม่ได้ทำตามอารมณ์ของพระองค์ไม่ได้ทำตามอารมณ์ของเราด้วยด้วยเหตุนี้ครับแล้วแต่อารมณ์พี่น้องว่าได้ไหมครับไม่ได้เราจะติดตามพระเจ้า ตามอารมณ์ของเราไม่ได้พระเจ้าต้องการความเชื่อความศรัทธาและความไว้วางใจเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดจิตวิญญาณสําคัญกว่าร่างกายแผ่นดินสวรรค์สาคัญกว่าแผ่นดินโลกนี้และความศรัทธาที่แท้จริงไม่ขึ้นกับอารมณ์แต่เป็นความมั่นใจในความจริงและพระสัญญาต่างหากเป็นความคิดนะครับที่ตัดสินใจว่าจะมั่นใจในความจริงและพระสัญญาเพราะฉะนั้น ความมั่นใจในความจริงนี้ความเชื่อนี้นะครับนำไปถึงการเชื่อฟังค่ายของเรานะครับ trust and obey มันหมายว่าเชื่อและฟังไว้วางใจและทำตามสิ่งนี้สะสมได้ครับพัฒนาได้ครับเพิ่มเติมได้ครับเราจะเพิ่มเติมจากพ่จนะของพระเจ้าจากประสบการณ์การเชื่อวางใจและทำตามนะครับในทุกๆอารมณ์ที่เราเคยเคยปล่อยให้เป็นไปนตาม อารมณ์หรือแล้วแต่ตแตอารมณ์ของเราพี่น้องสังเกตดูนะครับพระเจ้าเปิดโอกาสให้กลับใจใหม่ได้เสมอเมื่อเราเคยไม่เชื่อฟังด้วยอารมณ์ของเราพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราเชื่อฟังได้เมื่อเราเคยตอนรับพระองค์ด้วยการที่ถวายบ้างไม่ถวายบ้างแล้วแต่อารมณ์พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราที่จะถวายเมื่อเราต้อนรับพระองค์ด้วยอารมณ์ บางครั้งเราก็มาโบสถ์ไม่มาโบสถ์สัรเสริญพระเจ้าบ้างต่อว่าพระเจ้าบ้างแต่พระเจ้าก็เปิดโอกาสให้เรากลับใจสุดท้ายครับเมื่อเราต้อนรับองค์ด้วยอารมณ์นะครับไม่ได้ใช้ความเชื่อพระเจ้าก็ยังเปิดโอกาสให้เรากลับใจเป็นรองครับเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งการกลับใจใหม่ครับเป็นเทศกาลแห่งการที่เราจะตรวจสอบดูชีวิตของเราในทุกๆอารมณ์ที่เราเคยปล่อยให้เป็นตามอารมณ์นะครับ ขอให้พระเจ้าช่วยเราเสริมกำลังเรานะครับวันโ l y w ว e k จะนับตั้งแต่วันนี้ไปจนทั้งถึงสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้าทุกๆวันตอนเย็นนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเราจะเรียนพระคำมภี์แบบเจาะลึกนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องที่จะมาได้วันพระรหัสเป็นวันระลึกถึงวันก่อตั้งพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็วันศุกร์ จะเป็นวันที่เราจะระลึกถึงการชิ้นพระชนของพระเยซูเรียกว่าวันสุขประเสริฐในวันศุกร์นี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องที่จะพาคนที่ไม่เป็นคริสเตียนคนที่อยู่ในครอบครัวของเรามาด้วยเพราะว่าผมจะเป็นผู้ที่เทศนานำรับเชื่อนำกันถวายตัวพี่น้องที่ปรารถนาที่จะถวายตัวนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมพร้อมมาในวันนั้นพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อสมาชิกในครอบครัวของเรามาเป็นเวลานานแล้วนะครับนะครับเรายัง ไม่เคยพามาโบสหรือมาโบสบ้างนะครับไม่มาโบสบ้างอยากจะนุนใจครับให้พามาในวันนั้นจะมีการนำให้รับเชื่อด้วยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะผ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างมีความหมายและจะเป็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมน